อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะก็กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในช่วงของรายการธรรมาราปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งก็เป็นช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมแล้วค่ะเป็นวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนะคะวันนี้เป็นวันแรม11บเอ็ค่ำเดือนแปดปีมรรื์ค่ะซึ่งในเช้าวันนี้ดิฉันก็อยากจะขอนําท่านผู้ฟังนะคะ มากราบน้ำรสการพระอาจารย์ไภบูรณ์อภิปุโนโซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรมรมารารุลณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราอยู่เป็นประจํานะคะข้าก็ขอนาท่านผู้ฟังนะคะมากราบน้ำระสการพระอาจา ร, รจาย์ไพบูรณ์อภิปุโนโแห่งวัดป่าดอนหายโศกตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะซึ่งก็มีพระเดชพระคูณหลวงพอ่อดรสะอาดทิตโตภาโสหรือท่านพระคูณสิทธิปรภากร ท่านเป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหายโศกนี้ค่ะและพระอาจารย์ในบุญอภิพุณโอของเรานั้นท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพุทธโอ์ของวัดป่าดอนไหายโศกด้วยนะคะกราบทธน ส, ส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญบอลสาธุเจ้าค่ะเราพบกันในเชา้าวันนี้นะเจ้าขาก็ผ่านถ้าพูดถึงทางโลกเราก็คือผ่านเรื่องของการพิจารณา ของสารรัฐธรรมนูญมาเมื่อวานนี้เองนะเจ้าคะ oh. ผลเป็นอย่างไรเนี่ยโยมคิดว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้ใจใจจ่ออยู่นะเจ้าคะก็คงจะทราบผลกันแล้วล่ะทีนี้สาหรับผลที่ออกมาเนี่ยโยมก็อยากจะขอนําเรื่องนี้นเจ้าคะ่ะหยิบยกมาสนทนากับทางพระอาจารย์ภับูลอภิพุนโนนะเจ้าคะโยมคิดว่าผลการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญที่ออกมาเมื่อวานนี้นั้นเนี่ย เมื่อท่านตัดสินออกมาอย่างนี้เนี่ยย่อมจะมีทั้งผู้ที่พ อ, พอใจใจเจ้าค่ะพอใจถูกใจก็มีความสุขถูเจ้าค<จ>่ะสาธาก็แบบมีความรู้สึกอ้าวแบบพิลึกใจแต่สําหรับคนที่ไม่พอใจออแล้วก็มีความโกรธหรืออาจจะมีอะไรต่างๆขัดขืนใจเนี่ยก็มีอยู่เยอะทีเดียวเจ้าค่ะดังนั้นก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ ได้เมตตาสากักฉาหรือสนทนาธรรมะของเราในช้าวันเสาร์นี้เจ้าค่ะที่สิกรกฎาคมนะเจ้าค่ะว่าทำอย่างไรหรือว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธวจนะอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการทำใจเราให้เป็นสุขอยู่ได้เจ้าค่ะ อ, อันนี้คงจะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะผิดหวังหรือว่าหลายๆท่านที่สมหวังก็ตามนะเจ้าค่ะบางทีโยมเชื่อว่าพระพุทธองค์ก็ทรงสั่งสอนเตือนไว้เหมือนกัน ว่าเราคงจะถ้าดีใจก็อย่าไปดีใจมากอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะใช่ใช่ เ, เจ้าค่ะที น, นี้มันมันมีอยู่3ประเด็นที่ธรมาต้องการจะพูดถึงเรื่องนี้เอาเอาไล่ไปก่อนตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะเริ่มตัดสินคืออย่างวันที่12หรือวันที่ส1ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าอย่างตัวตัวธรมาเองเนี่ยนะอยู่ที่วัดป่าตะไหนโศกเนี่ยเออเราก็ไม่มีทีวีที่วัดไม่มีทีวี แล้วก็เราก็ไม่รู้ข่าวเลยว่าวันที่ 13, สิบามสุกสิบสานี้ก็จะทําอะไรกันแล้วก็ทําให้เราไม่ทราบข้อมูลเลยว่าเออถ้าออกมาอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงหรือเราก็ไม่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าเอะมันควรจะออกมาเป็นยังไงแล้วมันจะมีผลกระทบต่อวัดไหมเออพรุ่งนี้เราไปบินตบาบัดจะได้ของกินไหมน ะ, ะก็ปรากฏไม่มีปัญหาเลยเลยเราก็อยู่เป็นสุขสบายใจของเราอยเป็นปกติอันนี้กรณีที่หนึ่งทีนี้ก่อนวันที่สิบามที่ตัดสินเนี่ย ถ้าคนที่ต้องการให้ตัดสินออกมาอย่างหนึ่งเขนะาก็จะมีความความอยากนะความที่เรียกว่าฉันต้องการอย่างนี้ฉันอยากได้อย่างนี้นะตั้งอยู่ในใจก่อนนะส่วนอีกพวกหนึ่งก็จะมีคิดว่าฉันก็อยากได้อีกอย่างหนึ่งนะคำตอบอย่างที่สองแล้วก็มีอีกพวกหนึ่งที่อยากจะได้อย่างที่สามอย่างที่สีแล้วก็มีคำตอบอยู่หลายอย่างนะบางที อ, อาจจะไม่ได้ตอบว่าใช่หรืออาจจะไม่ตอบว่าไม่ใช่อาจจะตอบเป็นอย่างอื่นมันก็จะมีตอบหลายอย่างอยู่ ทีนี้ไม่ว่าเขาตั้งความปรารถนาไว้อย่างไรเนี่ยเอ่อพอเวลามันออกผลมาแล้วเนี่ยนะมันเป็นไปตรงกันข้ามกับที่เขาหวังเนี่ยเขาจะมีความทุกข์เกิดขึ้นทันทีจุกค่ะใช่ไหมอย่างคนที่ผลมันออกมาแล้วเนี่ยคนที่ได้ตามที่ตัวเองหวังก็นั่งสบายใจละคนที่ไม่ได้ตามที่ตัวเองหวังก็เป็นทุกข์ละแต่ส่วนพระอยู่ที่วัดป่าตอนไหนโงนี่ไม่มีปัญหาเล ย, ยสบายใจมาก<ด>เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาใช่ไหม เพราะว่าไม่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่แหละพระเจ้าจึงบอกว่าความอยากเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์ความอยากเป็นเหตุของความทุกข์มันเป็นอย่างนี้ตอนที่เราอยากเนี่ยนะตั้งแต่วันที่12หรือก่อนหน้านั้นเนี่ยพอเรามีความอยากเนี่ยความอยากเป็นตันหานะพระรูเจ้าบอกว่าความอยากเนี่ยเปรียบเสมือนหัวลูกศรนมันมาทิ่มแทงเราพอมาทิ่มแทงเราแล้วเนี่ย เราไม่รู้สึกตัวเนะี่ยเพราะว่ามันมาเนียนมากมันมาแบบเป็นเป็นยาพิษลูกศร อ, อาบยาพิษด้วยที่ถูกแทงเข้าไปแล้วบางทีไม่รู้สึกบางคนถูกเข็มตาเข้าไปเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรจนกระทั่งจนกระทั่งเจ็บแล้วจนกระทั่งเลือดไหลแล้วก็มีนะในลักษณะนี้คือลักษณะของหัวลูกศรคือตันหาที่มันมาทิ่มแทงเราทีนี้ว่ า, าพิษของมันเนี่ยคือความโศกพิษของมันคืออวิชา นั่นคือหมายความว่าพอมันทิ่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีกระแสตัวเราก็จะมีกระแสเลือดจะมา <Okay. S 1> ะพิษเนี่ยก็จะไหลวนอยู่ในกระแสเลือดของเรานะพอเมื่อไหรเนี่ยเราไม่ได้ตามที่เราพอใจนี่นะมันจะออกออกพิษทันทีพิษของมันจะออกผลทันทีผลของมันออกมาเป็นความโศกแต่พิษของมันที่แล่นไปตามกระแสเลือดเนี่ยพระเจ้าเปรียบเหมือนกับอวิชานะอาวิชานี่คือพิษแล้ว <Okay. S 1> พอมันออกฤทธิ์เป็นความทุกข์ความทุกข์นั่นแหละ นั่นคือผลของพิษนั้นเพราะคนที่ไม่ได้ตามที่ตัวเองหวังเกิดอะไรขึ้นนั้นจะทุกข์มากเลยอันนี้ไม่ใช่ว่าคนที่ได้ตามที่หวังเนี่ยไม่มีพิษนะมีพิษอยู่แต่มันยังไม่ออกฤทธิมมออ์มันจะไปออกฤทธิ์วันไหนมันจะไปออกฤทธิ์วันที่คุณไม่ได้ตามที่คุณต้องการเข้าใจไหมทีนี้เราบางทีไม่ได้โดนลูกสองแทงลูกเดียวเราโดนแทงหลายลูกเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องอื่นๆ นะวันนี้โดนแทงดอกนี้ยังไม่ออกพิษวันอื่นโดนแทงอีกอาจจะออกพิษสักวันใดวันหนึ่งเข้าใจไหมทีนี้ประเด็นที่ออกพิษออกมาแล้วนี่แหละคือคือเราจะมีความทุกข์ทีนี้ประเด็นที่คุณตื่นใจพูดตั้งแต่ตอนตอน้ตนว่าเออเราจะอยู่ยังไงให้มันมีสุขเราจะอยู่ยังไงให้มันมีสุขเนาะคือเราตั้งความปรารถนาไปแล้วเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นะคือคือเราจะไม่ให้พิษมันออกฤทธิ์ได้เนี่ยคุณต้อง อย่าให้พิษมันเกิดเนอย่าให้พิษมันไหลอยู่ในกระแสะเลือดของเราคุณเตืใจเคยได้ยินมาหนังจีนสมัยก่อนเนี่ยเพราะมีใครโดนลูกศร อ, อับยาพิษหรือกระบี่เขามียาพิษอาบไว้เนี่ย <Okay. S 1> เมื่ อ, อไหลก็ตามเนี่ยที่พิษล่นเข้าสู่กระแสเลือดพุ่งเข้าสู่หัวใจตายทันทีใช่ไหมอีตอนที่เราถูกพิษแล่นเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วก็โดนเข้าสูะสะ่หัวใจเนี่ยนะหลายหลายท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ตรงที่ว่าพอเวลาเราโดนความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย มันเจ็บจี้ ط. มันมันไม่ได้เจ็บอะไรที่ไหนมันเจ็บที่ใจอย่างโดนเขา <Okay. S 1> ด่าอย่างเงี้ยหรือโดนเขาย่อเ ย, อเยอ้ยโดนเขาทำอะไรสิ่งใดอย่างหนึ่งที่มันเจ็บใจเนี่ยมันเจ็บที่ใจมันสะอึกอยู่ที่ใจอย่างโดนโดนหลอกอย่างเงี้ย <Okay. S 1> หรือว่าโดนหักหลังอย่างเงี้ยคนที่เราเรารักเรานับถือเนี่ยมาหักหลังเราไปหรือจากเราไปอย่างเงี้ยมันเจ็บอึกที่ใจ <Okay. S 1> ตรง น, นี้แหละคือลักษณะของพิษที่เล่นเข้าสู่ใจ ทนี้บางคนถ้าทนไม่ไหวเนี่ยก็ตายไปเลยนะหลายเห็นในหลายคนนะที่แบบกรากเลือดตาย <alan ะ S 2> แล้วก็ <yt> หรือว่าเออ่เจ็บไม่ไหวทเจ็บจนทนไม่ไหวตายอ ย, <otherwise S 2> อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตรอมใจตายไปเลยใช่ใหรือทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายอยา่างเงี้ยก็มีเจค่ะนะคือถ้าบางคนทนได้มากเนี่ยก็ยังไม่ได้นะถ้าคนคาใจสออ่ออแอนแอนินดนึงโดนนิดโดนหน่อยก็เจ็บเจ็บมากแล้วก็ตายไปเลยนเลยนะนี่ย <violet> นี่ลักษณะของที่ว่าคุณทนไม่ไหวนะมั น, ม, นมันเหลืออั้นเกินประมาณ เพาะฉะนนพพิษเนี่ยเราจะทํายังไงไม่ให้มันแล่นก็ส่วใจเราจะต้องหาวิธีการที่จะจะระ ง, งับพิษก่อนทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงวิธีระ ง, งับพิษก็ตามเอ า, เอาพูดถึงวิธีระ ง, งับพิษก่อนดีกว่านอ้อนะว่าพอมันมีพิษไหลอ ย, อยู่ในอยู่ในกระแสะเลือดเราแล้วหลังจากที่เรามีความอยากเนี่ยนะพระพุทธาบอกให้พิษนั้ น, นคืออวิชานะคุณจะทํางไงให้อวิชาออกไปได้นะพระพุทาพูดถึงโพชง นะพชองเนี่ยจะทําวิชาและวิมุตให้เกิดขึ้นได้พอมีวิชาวิมุตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้อวิชาเนี่ยจะดับไปนะ <Okay. S 1> พระเาเปรียบพระองค์เนี่ยเหมือนกับหมอหุ่นเดินใจหมอผ่าตัดที่มีความชำนาญมากนะหมอนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าเครื่องตรวจหาลูกศรไอหัวลูกศรเนี่ยพอมันยิงปุ๊บเนี่ยนะมันฝังเข้าไปในในตัวเราเลยนะคือ <Okay. S 1> คือก้านลูกศรเนี่ยมันมันหายไปแล้วนะคือเหมือนกับลูกปืนสมัยเนี่ยนะตัวลูกปืนไอตัว ลูกปืนเนี่ยนะมันหลุดออกไปแล้วเหลือแต่หัวป ern, ืนเาเรียกว่าอะไร น, นะคุณเตือนใจหัวกระสุนเออหัวกระสุน <appe are. S 1> กับตัวกระสุนเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วนะเพราะมันเป็นออพลังงานของมันเนี่ยเพราะมันลือไปแล้วก็เหลือแต่หัวกระสุนหัวกระสุนฝังอยู่ในในตัวของเราแต่เช่นเะดียวกัน combined, หัวลูกศรเนี่ยมันฝังอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไห น, นเราต้องนะสแกนหาการสแกนหานี่คือเปรียบเทียบกับสติพอเจอแล้วปุ๊บคุณต้องเอามีดปาดเข้าไปแล้วก็เอาหัวลูกศรออกมา ทีนี้พออมีปาดเข้าไว้มีดนี่คือปัญญาปาดเข้าไปเจอแล้วหยิบออกมาหยิบออกมาเสร็จแล้วเอายาใส่ด้วยนะยาใส่ด้วยเพื่อระงับพิษ ด, ด้วยครูเชาพูดถึงยาที่เอาไปใส่เนี่ยนะยาใส่เนี่ยคือเจ้าโพชฌทั้ง7เนี่ยเพื่อที่จะระงับพิษการที่เราจะระงับพิษได้เนี่ยโพชฌงเคืออะไรก่อนคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมนะคือการที่เรามีสมาธินะการที่เรามีอุเบกขา การที่เรามีความสงบระงับความทําจิตให้นิ่งเห็นธรรมะพวกนี้เนี่จะช่วยได้แต่พอ เ, เราเกิดความไม่พอใจในจิตของเราเนี่ยมันทุกขึ้นมาแล้วเนี่ยเรายยมที่จะอดทนซะ ค, ค ะ, ะความอดทนเนี่ยจะทำให้เร า, เอารอดได้ในระดับ1ระดับแรกก่อนนะคือพิษยังยังไม่ออกหมดนะแต่ว่าอดทนเนี่ยมันจะทำให้เราเรียกว่าระงับพิษไม่ให้แล่นเข้าสู่หัวใ จ, จคคะะระงับพิษไม่ให้แล่นเข้าสู่หัวใจเร็วแที่เราอดทนพยอดทน โอทนเนี่ยก็เป็นคุณธรรมที่ดีนะเราต้องมอีทีนี้อย่างไรก็ตามพิษยังมีอยู่ในใจยังมีอยู่ในกระแสเลือดเราก็หัวลูกศรก็ยังไม่ได้เอาออกที่ต้องการพูดถึงคือเราจะต้องเอาหัวลูกศรออกเราจะต้องล้างพิษให้หมดการล้างพิษการเอาหัวลูกศรออกเนี่ยก็คือการที่เราเอาตันหาออกไปเอาอวิชาออกไปจะทําตันหาอวิชาให้ออกไปได้ผู้ที่โดนความทุกข์อยู่เนี่ย คุณต้องมาคือปัญญาที่พระพุทธเจ้าพูดถึงมีดเนะี่ยนะมีดคือปัญญาจะเปิดปากแผลออกไปเนะี่ยปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปเรียนจบด็อกเตอร์คุณจบด็อกเตอร์บางคนก็ยังเป็นทุกข์นะะ <Okay. S 1> หรือว่าคนเป็นศาสตราจารย์บางคนก็ยงังนั่งทุกข์อยู่นะวินาทีนี้ก็มีเพราะฉะนั้นปัญญาตรงนี้ไม่ใช่ปัญญาในในเรื่องราวเหล่านั้นแต่เป็นปัญญาที่ว่าเอ๊ะเป็นปัญญาที่เราเห็นความไม่เที่ยงในในสิ่งสิ่งนั้นนะคุณตื่นใจเขยไปทําฟันใช่ไหม เวลาเขาทําฟันหมอฟันเนี่ยเขาจะเอาไอ้มีอุปกรณ์อันหนึ่งธรรมาก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าใช้ไว้สําหรับกรอฟันไว้สําหรับไม่ใช่กรอฟันไว้สําหรับเอาไอหินปูนมันออกไปขูดหินปูนอย่างเงี้ยนะหมอตาตแพทย์เนี่ยเขจะมีอุปกรณ์อันหนึ่งที่จี้เข้าไปในฟันเพื่อให้อหินปูนเนี่ยมันหลุดออกมาธรรมาก็ไม่ถามหมอฟันนะว่าอุปกรณ์นี้มันทำยังไงยังไงเขาบอกว่าไอตรงหัวของอุปกรณ์เนี่ยมันจะสั่นสะเทือนด้วยด้วยความถี่ที่สูงมาก และการสั่นสะเทือนของมันตรงเนี้มันก็จะไปโดนกับความถี่ที่พอเหมาะพอเจาะ ก, กับหินปูนตรงนั้นในะหินปูนนี้ก็เลยกระเด็นออกมามเป็นลักษณะความถี่สูงคื อ, ค, อคือไม่ใช่ว่าเราเอาตัวจับคุณตื่นใจเขยา่าเข ย, ขยแล้วหินปูนมันจะหลุดออกมาไม่ใช่งี้ย น, นะแต่ความถี่ในการเขย่าตรงเนี้ยความถี่ในการเข้าไปโดนตรงเนี้มันจะต้องเป็นความถี่ที่อันเดียวกันกันกบเจ้าหินปูนอันนี้ในะทางวิทศาสตร์เขาเรียกความถี่เรโซแนนซ์นะ ความที่อันเดียวกันกับที่จะทำให้มันสะเทือนหลุดออกมาได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าฟันของเราเนี่ยต้องอยู่นิ่งฟันของเราเนี่ยนะถ้าฟันเราโยกฟันเราขยับไปขยับมาหมอมันจะทําไม่ได้เลยนะไอ้ฟันที่มันโยกเนี่ยเป็นสี่ที่ทํายากมากสู้ถอนจะดีกว่าหมอฟันจะมีของอย่างเงี้มันก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยประเด็นก็คือว่าเหมือนกันเลยเหมือนจิตของเราเนี่ยกิเลสของเราอยู่ในจิตนะไอ้ตัณหาอวิชชาอยู่ในจิตเราต้องลอกมันออกไป เราจะลอกไอ้พวกนี้ออกไปได้นี่นะเอ่อจะต้องมีจิตของเราจะต้องนิ่งเพื่ออะไรเพื่อมีอะไรมากระทบแล้วถ้าเราไหลไปตามนี่นะไอเศษหินปูนเนี่ยหลุดออกไปไม่ได้เช่นเดียวกันกับฟันเนี่ยถ้ามีเครื่องมือของหมอฟันมากระทบแล้วฟันเนี่ยยึกยักยึกยักคนไข้ไม่อยู่นิ่งมันทำงานไม่ได้แต่เพราะนั้นฟันต้องอยู่นิ่งนะจิตของเราจะต้องอยู่นิ่งเหมือนกับฟันเนี่ยพอมีอะไรมากระทบปุ๊บเรานิ่งเรานิ่งนี่แหละตรงนี้แหละคือปัญญา นะีปัญญาพอมีปัญญาระดับอย่างนี้เนี่ยจึงทํากิเลสเนี่ยให้มันหลุดลอกออกไปได้นะคือทําให้เราคลายความทุกข์ไปได้นะปัญญานี้ไม่ใช่อะไรมากมายเลยที่ว่าจะต้องเห็นอะไรงั้นอย่างนี้อเอาแค่เรานิ่งเอาไว้นะเราเจอสิ่งที่ไม่พอใจเรานิ่งเอาไว้นะเพราะว่านิ่งตรงเนี้ยอาศัยอะไรเป็นเหตุนิ่งตรงเนี้ยพระเจ้าเคยพูดถึงนะกับพระเจ้าเปรตที่โกรศนคือคนที่มีความทุกข์เนี่ยบางทีกินข้าวก็ไม่ได้ งานการก็ไม่อยากทําร่างกายก็สู้ผอมไปอย่างเงี้ยนะพวกเป็นพวกเดียวกันก็เสียใจพวกที่ฝ่ายตรงคํามั็ดีใจ <Okay. S 1> นะเราเราทําให้จิตของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าเราเป็นอย่างนี้ <Okay. S 1> ทีนี้เราจะทําจิตของเราให้อยู่นิ่งได้ไงพู้เจ้าให้คิดอย่างนี้คุณใจนะบอกว่าสิ่งใดที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเนี่ยจะให้มันไม่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไม่มีนะไ อ, อ้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเราคนเดียวเท่านั้นไม่ได้นะ คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเทวดาเทพมารพร้มหรือใครๆในโลกเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไปคิดยังไงว่าคนอื่นเราจะต้องได้ก็เนื่องมื่อคนอื่นไม่ได้เนี่ยในะประโยชน์อันเล็กน้อยแม้ใครจะได้เพราะความเศร้าโศกเนี่ยไม่มีเนะื้อคนที่รู้เนื้อความอย่างนี้แล้วเนี่ยย่อมไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งป่วงนั้นะเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้พึงทราบว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ก็มีสติตั้งหน้าตั้งตาทํางานกันต่อไป โดยที่ไม่ต้องอไหลไปตามสิ่งที่มากระทบนืว่าเป็นสิ่งที่เราไม่น่าพอใจชร์ค่ะ hmm. ก็คือ<ไ>สรุปว่าเราจะต้องอทำใจของเราอย่างแรกเลยก็คือต้องพยายามที่จะทำจิตให้นิง่งใช่ไหมเจ้าคะอดทนก่อนอดทนทำจิตให้นิง่ง ม, มีสตินะเจ้าคะถูกต้องถูกต้องแล้วก็สิ่งที่จะมาะเป็นอาวุธหรือว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะ อดทนอยู่ได้แล้วก็มีสติอยู่ได้ก็คือโพชงทั้งเจอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวมาแล้วนะเจ้าคะ<ช>่ะได้แก่การมีสติใช่ไ้มเจ้าค่ะถูกต้องมีการใครครวนมีความเพียรแล้วก็มีสมาธิมีอุเบกขาอะไรต่างๆเหล่านี้ถูกไหมเจ้าคะใช่ใช่เจ้าค่ะตรงนี้เนี่ยก็อาศัยเหตุปัจจัยจากการที่เราพยายามที่จะมีจิตที่เป็นสมาธิจิตที่มีสมาธิเนี่ยเราจะสามารถที่จะมีปัญญา นะป่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีออกได้อดทนอยู่ได้นะแก้ไขปัญหาไปได้ <Okay. S 1> อาจารมาต้องบอกงี้ว่าอุปสรรคอะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยนะมันมีขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ให้เราเนี่ยได้มีฝึกความอดทนนะคือถ้าเราไม่มีความอดทนตรงนี้เราก็จะไปไหนไม่รอดนะไปไหนได้ยากนะเพราะว่าใครๆก็ตามในโลกไม่มีใครที่ไม่ได้สิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่มีคุณตัใจไม่มีจริงๆนแะม้แต่คนที่ยิ่งใหญ่ระดับไหนก็แล้วแต่เนี่ย ก็ยังประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั่นคือความตายเป็นต้นนั่นคือความแก่เป็นต้นนะเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องประสบสิ่งนี้แล้วทำไมจะต้องออกมาเป็นทุกข์ด้วยเราก็ปลายไปซช่ไในเมื่อคนอื่นเขาก็เจอเหมือนกันเราก็เจอเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเมื่อคนอื่นเจอเราก็เจอไม่มีใครที่ไม่มีไม่เจอพระเจ้าก็ยังเจอนะถูกทำเอ่อทำให้เล็บเท้าห่อเลือดอย่างเงี้ยมีความปวดท้องปวดไส้เป็นโรคเขาเขาก็เป็นเหมือนกันพระเจ้าของเราแต่มันจะไม่มี แล้วก็<ช>มีมก็เป็นธรรมดาแต่เพราะนั้นพอเราเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราก็ปล่อยวางซะไม่ต้องไปสนใจเราก็จิตของเราก็นิ่งอยู่แลพอจิตเรานิ่งอยู่เนี่ยพิษถอนละนะพิษถอนและสบายใจละนะไอหัวลูกศรเอาเอาอกไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้ทํากันยากด้วยนะคุณตือนใจคือมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกๆวันเลยนะไม่ใช่แค่ว่าเรื่องสุขสิบาจะมาประกาศอะไรนะอเอาแค่ว่าตื่นเช้ามาอย่างเงี้ย บางทีเปิดก๊อกน้ามาน้าไม่ไหลน้ําไม่ไหลนี่มันจี๊ดเหมือนกันนะเราจะต้องการล้างหน้ารีบไปทํานั่นทำนี่นี่แหละเครื่องทดสอบเลยเป็นธรรมดาเลยเจออยู่ทุกวันหละนะครับไปขับรถออกไปนอกบ้านนะอ้าวรถติดฉันต้องรีบไปทําไมรถติดคุณก็คนอื่นเขาก็เจอเหมือนกันค <Okay. S 1> อย่างเงี้ยนะเราฝึกจิตของเราให้เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยชื่อเรียกว่าเหมือนกับฉีดยาเขาเรียกว่าอะไระภูมิคุ้มกันเออวัคซีนวัค uh huh. ซีนใช่ให้มีคุม้ม ปุมคุมการจิตของเราไม่ให้หวั่นไหวแล้วก็ไหลไปตามเวทนาหรือว่าตัณหาต่างๆที่เข้ามานะะคะเวลาหมอเขาเอาไอ้เครื่องกรอฟันเครื่องขูดหินปูนเนี่นะคือเขาไม่ได้ขูดขูดขูดออกนะเขาแคจี้ใส่เฉยๆรูดเลยอือค่ะเป็นเครื่องมือที่ดีมากเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอะไรมากระทบไอ้เครื่องที่มันจี้ใส่เราเนี่ยเหมือนภาษาที่มากระทบนั่นเองนะเพราะภาษามากระทบจิตก็เราตู้มเนี่ย เป็นภาษาที่พอใจก็ตามไม่น่าพอใจก็ตามแตนะ่ถ้าเรานิ่งอยู่จิตของเราสะอาดขึ้นนะเรานิ่งอยู่จิตของเราสูงขึ้นนะ น, นี่รวมถึงเรื่องที่พอใจด้วยนะคุณเดนใจหมายความว่าอย่างผลที่มันประกาศออกมาเนี่ยบางฝ่ายเย่กระโดดโลดเต้นพอใจนะคุณพอใจนี่อ่านี่เป็นอันตรายนะเพราะว่ามันพอกพูนกิเลสขึ้นในจิตของคุณอืมจุ๊ก่าคือพิษอย่างยังมีอยู่แต่มันยังไม่ออกฤทธิ์นั่นเองอ ม, มันยังไม่ออกฤทธิ์แต่พิษคุณไม่ได้ว่ารถอนเลยนะ สักวันหนึ่งมันแล่นเข้าสู่หัวใจเราจะจีดมันนั้น เ, เราต้องระวังเอาพิษออกเลยนะใครที่รอให้ถึงมันที่ เ, เจ็บแล้วค่อยค่อยมารักษาเนี่ยโอ้โหยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นทางการแพทย์ก็จึงมีวัคซีนคอยป้องกันก่อนที่มันจะเกิดขึ้น เ, เหมือนสุภาษิต ท, ที่ไทยที่ว่าบวชหายล้อมค อ, อกนะอย่าให้เป็นอย่างนั้นอย่าให้เป็นลักษณะของบวหายล้อมค อ, อกเอาคุณยังไม่มีค อ, อกใช่ไหมคุณพอบวหายแล้วคุณเพงจะคิดมาล้อมนะเราเตรียมการไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราเราโดน ตัณหาเนี่ยมันเล่นงานมาตั้งนานแล้วไม่งั้นเราจะไม่ได้เกิดมาที่นี่เพราะฉะนั้นพอเราเกิดมาด้วยการที่มีตัณหาอยู่เนี่ยมันก็เป็นธรรมดามีทุกบ้างมีสุขบ้างอันนี้อันนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณตัวใจเป็นประเด็นที่1นึ่ท่านั่นเองที่พูดเองพูดมาเองคือว่าเราจะจัดการยังไงกับความความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วก็ความสุขที่มันวบวับแวบๆเกิดขึ้นมานี้ก็มีทีนี้ประเด็นอีกประเด็น1ที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วเราควรจะทําความเข้าใจกับความทุก์ให้้ถูกตอง ชนะกช่วยโอกาสนี่การทํำก้มใจกับความทุกข์ให้ถูกต้องแล้วก็ความสุขด้วยใ <c oughs> น, นจริงที่พระเจ้าพูดถึงทุกทุกเนี่ยนะทุกในอริยสัจทั้ง4เนี่ยทุกในอริยสัจทั้ง4เนี่ยกินความรวมถึงสุขเวทนาแล้วก็ทุกขเวทนาด้วยนะคือหมายความว่าเวทนาเนี่ยคือความรู้สึกใช่ไหมอย่างเราได้สิ่งที่เราต้องการนี้เราก็มีความรู้สึกที่เป็นสุขสุขเวทนาเนะพราะเราได้สิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราก็เป็นทุกนะนี่ก็ทุกขเวทนานะ ทนี้สุ ข, ขเวทธนาก็ตามทุกขขเวทธนาก็ตามแตพระเจ้าบอกอันนี้คือความทุกข์ทำไมเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราอยากได้แต่ความสุขเราไม่อยากได้ความทุกข์อันนี้คุณคิดผิดแล้ว <Okay. S 2> นะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องเอาออกสิ่งที่เราต้องไม่เอาเลยคือความอยากไม่ใช่อยากได้ความสุขไม่อยากได้ความทุกข์นะอยากกับไม่อยากเนี่ยคุณแบ่งกันสมมติเรามีสี่ส่วนนะ อ, อ, อยากเป็นสุขไม่อยากได้ทุกข์จริงๆอยากกับสุขเนี่ยคุณต้องตัดออก นะไม่อยากกับทุกคุณต้องตัดออกแล้วเอาอยากกับไม่อยากเนี่ยมารวมกันแล้วเอาสุกกับทุกเนี่ยมารวมกันคุณใจนึกภาพทันนะนะเพื่ออีกครั้งหนึ่งคือหมายความว่าอยากเนี่ยมันอยู่ติดกับสุขใช่ไหมไม่อยากเนี่ยอยู่ติดกับทุ ก, okay. settled, บบก demand, okay. ใช่ไหมนะเราตัดเอาออกมานะตัดอยากก okay. ับสุขเนี่ยออกจากกันตัดไม่อยากกับทุกขออกจากกันเอาอยากกับไม่อยากมารวมกันโยนทิ้งไปเอาสุขกับทุกมารวมกันพยายามที่จะเข้าใจมันเราถึงจะถูกต้องนะสุขก็มีทุกก็มีในโลกนี้ เป็นธรรมดาสิ่งที่เราต้องไม่มีสิ่งที่เราต้องเอาออกจากจิตของเราคือความอยากนะีอยากนี่รวมถึงพวกไม่อยากด้วยนะค่ะ อ, อยากที่จะไม่เป็นอย่างเงี้ยนั่นก็คือความความอยากประเภทหนึ่งเหมือนกันอืเพราะฉะนั้นเราเราอยากให้มีความอยากไม่ว่าจะอยากที่จะได้หรืออยากที่จะไม่ไดนะ้อยากที่จะไม่ได้ไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าคือหมายความว่าอย่างความแก่เนี้ยอยากให้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเี้ยเจ้า่ะใช่ใช่เนีไม่อยาก กับอยากไม่อยากก็คืออยากที่จะไม่ให้เป็นอย่างนั้น <Okay. S 1> มันคือความอยากนั่นแหละแต่อยากในทางตรงกันข้ามนะ <Okay. S 1> ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราเรามีอย่างนี้แล้วเนี่ยเราชุบเตรียมการละเราพยายามทำความเข้าใจไว้ก่อนนะเราพยายามทำความเข้าใจไว้ก่อนไม่งั้นจะเป็นลักษณะของหนีเสือป่จระเขนะคือถ้า mm hmm. อย่างนี้คุณได้ได้ความสุขมานะคือ คุณได้ความสุขมานี่ก็เรียกว่าทุกไประดับหนึ่งแล้วเพราะก่อนจะมาประกาศนี่ว่าเสียวใจตุ้มๆต่อมๆแต่ถามว่ <Okay. S 1> าตรงนั้นไม่ทุกหรอยิ่งทุกเลยทุกด้วยนะตรงนั้นอ่ ะ, <Okay. S 1> อะพ อ, อะได้มาตามที่ต้องการเดี๋ยวต่อไปเจอเรื่องอะไร ก, ก็ไม่รู้แล้วเป็นลักษณะที่ไม่ดีอีกมันมันไม่จบแล้วมันไม่จบมันก็ไปต่อเรื่อยๆ <Okay. S 1> แต่นี้เรากําลังจะแก้ที่รากเหง้าของมันเลยนั่นคือตัวตันหาอย่างพระที่วัดป่าไนโสเนี่ยเรา ไม่รู้ว่าเขาจะมีประกาศอะไรกันเนี่ยแม่เราสบายใจที่สุดเลยจค่ะคือเอาความอยากไว้ส่วนหนึ่งความอยากกับความไม่อยากรวมกันมาประยชน์วันทิ้งไปความสุขกับ<อ>ทุกมีบางทีฉันเข้ามาอิ่มวันนี้ปฏิบัติไม่ได้ก็ก็ก็มีเป็นทุกบ้างแล้ววันนี้กินอาหารอิ่มเกินไปออกเป็นทุกก็มีวันนี้ได้นั่งสมาธิเอาเป็นสุขก็มีมีทั้งนั้นเลยจค่ ะ, ะมันมันมารวมกันเพราะฉะนั้นเราต้องแยกส่วนผสมตรงนี้ให้ออกให้ถูกอืจค ทีนี้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในรายการธรรมารบปรรุลในชาวันนี้นะเจ้าคะ่ะยมอยากจะขอความเมตตากราบนิมนต์พระอาจารย์ไบพบณ์อภิปุนโนเจ้าคะ่ะได้ฝากแง่คิดสุดท้ายให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเราเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาคือคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้คือสุกที่13เนี่ยย่อมมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจแต่ยมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะเตือน จิตเตือนใจประชาชนชาวไทยเราทั้งสองข้างนะเจ้าคะก็คือการที่จะต้องไม่ใช่เราจะให้จิตเราน้อมไปให้ถูกชักจูงให้ไปทําอะไรที่มันจะทําให้บ้านเมืองเราไม่มีความสงบสุขเนี่ยเจ้าค่ะอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ได้สากราาัรฉาแล้วก็ฝากแง่คิดสุดท้ายเป็นความคิดจากพระอาจารย์จากพุทธวจน ะ, ะในรายการธรรมารับรุ่นเช้านี้เจ้<ช><ล>าค่ะสารนิมนต์เจ้าค่ะก็คือว่าเราต้องบอกองี้ว่าเราควรจะเปลี่ยนวิกฤตเนี่ยให้เป็นโอกาส โอกาสยังไงโอกาสของฝ่ายที่ได้รับความที่ตามที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยควรจะได้โอกาสในการที่เราจะมีเมตตาเราจะมีความให้อภัยเราจะมีความเห ok, ็นอกเห็นใจนอันนี้เราฝึกได้เราควรจะมีความที่เปิดกว้างอันนี้อันที่นหนึ่งเป็นโอกาสยังไงของผู้ที่ได้สิ่งที่ไม่ต้องไม่น่าพอใจะเป็นโอกาสที่เราจะฝึกความอดทนเป็นโอกาสกา compass, ที่เราจะทํากายวาจาใจาให้เป็นบริสุทธิ์เพราะว่าถ้าเรา แด้สิ่งที่เราไม่พอใจแล้วเราพูดไม่ดีทําไม่ดีเนี่ยอันนี้คุณจะสร้างบาปใส่ตัวนะฮะทุกใส่เจของก็เรียก ว, ว่าเอาเอ า, เอาบาปใส่ตัวเองนะไม่ควรทําควรจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นโอกาสในการที่เราจะทําความดีบําเพ็ญอุเบกขาบารมีก็ได้บำเพ็ญความอดทนก็ได้เพราะว่าคนที่อดทนเนี่ยเป็นโอกาสนะตรงที่ว่าพอเราอดทนได้เราจะเข้าสู่สมาธิได้ง่ายเพราะฉะนั้นในเมื่อโอกาสอย่างนี้มาถึงแล้วเนี่ยโดยเฉพาะยิ่ง เป็นเรื่องราวอะไรใหญ่โตที่ว่ามีคนให้ความสนใจมากเป็นภาษาที่ที่ว่าสําคัญเป็นภาษาที่เรียกว่ากระทบจิตของเราแ ล, แล้วมีความเขาเรียกว่ามีความหนักหน่วงเหมือนกันเนี่ยตรงนี้แหละจะเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกตัวเองนะถ้าคนดีใจอยากให้มันดีใจมากเกินไปนะเอาความลุ่มหลงมัวเมานันออกไปนะเป็นโอกาสที่เราทําจิตให้เราบริสุทธินะ์ถ้าคนเสียใจนะพยายามที่จะอดทนไว้ทําจิตให้นิ่งนั้นจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราจิตเราบริสุทธิ์เราจะสูงขึ้นทันที ถ้าใครก็ตามที่สามารถจะละความดีใจตรงนี้ละความเสียใจตรงนี้จิตเราจะสูงขึ้นเป็นโอกาสที่เหมือนกับก้อนหินมาก้อนใหญ่ๆมาก้อนหนึ่งกุญแจเรามาวางหน้าเราแล้วเนี่ยเราจะยอมให้มันถูกมันทับไหมละ่ะไม่ยอมเราก็จะไปหลบมันซะแล้วเราก็ขี่มันขึ้นไปสูงขึ้นอีกออเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ฟังใครฝ่ายไหนก็ตามเถอนะให้มีความรักความเมตตา ก, กันเป็นวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสในการที่ตัวเองจะทําจิตของเราให้บริสุทธิ์ขึ้นให้สูงขึ้นได้ นอกจากจะทําให้จิตของเราสูงขึ้นแล้วเนี่ยก็ะจ ะ, ะเป็นสิ่งที่จะทําให้ประเทศชาติเราร่มเย็นเป็นสุขด้วยนะเจ้าคะอยู่กันอย่างเรียกว่ามีธรรมะในใจกันทุกคนมไม่ว่าจ ะ, ะนับถือชาติหรือศาสนาใดนะเจ้าค่ ะ, คะท้ายสุดนี้นิดหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าศาลเขาจะตัดสินออกมางไงนะคุณเใจเราก็ยังมีสิทธิ์ในการที่เราจะรักษาสี่งของเราเรายังมีสิทธิ์ในการที่จะมีสัมมาวะจารเรายังมีสิทธิ์ในการที่จะไปนั่งสมาธิบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะ เจ้าค่ะนี่แหละสำคัญเจ้าค่ะเพราะ<ม>ว่าจะรักษาจากภายในของเราเองคือจิตใจอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะจ่ายไม่ให้มีทุกข์เพราะว่าไหลไปตามภัรษาที่ว่าจะเป็นที่ชอบใจก็ดีหรือไม่ชอบใจก็ดีนะเจ้าค่ะถูกต้อง no. สาธุเจ้าค่ะ<ม>ค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมาราปรุลในเช้าวันเสาร์ที่14บสกรกฎาคมก็หมดลงแล้วนะคะคิดว่าอาการสากัะชาหรือสนทนาธรรมะกับท่าน พระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโ น, โนในเช้าวันนี้คงจะได้ให้แง่คิดที่ดีแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันได้มากทีเดียวค่ะเพราะว่าเรานําเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่พี่น้องประชาชนชาวไทยเรามากกว่าครึ่งค่อนประเทศนั้นเนี่ยใจจดใจจ่อกันอยู่นะคะหวังใจว่าธรรมะในเช้าวันนี้คงจะทําให้จิตใจของท่านมีความสุขขึ้นค่ะ แล้วก็นํามาซึ่งความรุ่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมืองเราต่อไปนะคะสําหรับเช้าวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังกราบนมบสการลาพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนโแล้วก็กราบขอบคุณท่านพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนโองค์ป่าถูก ข, ของเราด้วยรวมตลอดทั้งพระเดชรพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิตตูพาโซโหรือท่านพระคุณสิทธิปภ า, ากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลดอนหโศกอําเภอนองหายจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะกราบมาพบกัน เป็นช่วงของการสักการะเช่นเดียวกันในเช้าวันอาทิตย์พรุ่งนี้ที่15กรกฎาคมนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ขอกราบน้มาส ก, การกราบขอบพระคุณและกราบนมัส ก, การลาเจ้าขาพระจเจ้าขาเจ้าปานสาธุเจ้าขา